ได้ฟังนลวง่เทีนแล้วใครมีประเด็นอะไรที่ไม่เข้าใจภาษาท่านเข้าใจทุกคนไหมโยมจบเข้าใจได้หมดไหมะยังไม่หมดยงไม่หมดติดขัดตรงไหน ในที่นไ่ได้พูดเรื่องนี้เลยมไม่ที่กันเนี่ยไม่สิ่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมีเรื่องนี้เลยหรือไมอ่ไม่มีเอาไม่มีมากำลังถามเรื่องที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่เนะี่ยเอาที่ประเด็นที่ได้พูดมาได้ฟังตลอดรอ้วิชัยเข้าใจหมดไหมที่หลงพ่อพูดเมื่อกี้นะ ตรงไหนบางที่จำได้ว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นป่าฐานนกันทั้งหลายเหมือนเราแต่ละคดเอาท่านก็บอกท่านขยายความตัวนี้ว่าทั้งหลายก็มีรูปมีนามมีข้าศีกันห้ามีโลคป่วยหลงมอนท่านนะนะก็ ก็ไม่น่านจะมีแล้วคงใส่ตรงไหนไม่คงใส่ตรงนั้นนะนะคือประเด็นก็คือว่าสแสดงว่าทุกคนก็มีตัวรู้ผู้รู้ผู้สื่อผู้บังอยู่ในในคนทุกคนก็เปรียบเทียบว่าทีแรกเข้าใจว่าตถาค์เนี่ยก็คือตัวองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ คนป็นทหาคนหมดคือทุกคนเป็นชินนิ้วม้วนกันหมดมีท่าสีกันห้ามีโรคปวดหลงมาก่อนเหมือนกันเหมือนกันคําว่าตาคาตะคือเป็นแบบนี้ไปแบบนี้ตถาคตะเป็นแบบนี้ทุกคนนั่นดำซับนั้นเรียกว่าท่านเดีกตัวท่านเะ็นตาเราก็เหมือนท่านท่านก็เหมือนเราเราก็เป็นแบบแบบที่ท่านเป็นไม่ได้ต่างกัน ประเด็นนี้นะก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยอยู่่ได้สงสัยอยู่อ่าโยมนุสกรฟังแล้วดีใจทุกแนวเข้าใจหมดไม่สงสัยทุกเรื่องมีสองประเด็นโยมเล็กแ่ใชไม่ใช่ไม่มีสงสัยเลยนะโอ้ชัดเจนมาก ถ้าจะถามยมถ้างั้นจะถามยุมเล็กนเอามายังมีค้างประเด็นที่ท่านพูดถึงเรื่องยานสามเนี่ยหมายความว่าจุปุเพนิวาสานุสติยานจุดูปปาตยานอาสวะคยานตรงนั้นเข้าใจไหมตอนท่านอธิบายเข้าใจค่ะแัญจัน ไม่เอาจำความเข้าใจผู้โยมไม่ต้องจำตามที่ท่านพูดเข้าใจว่าอย่างไรตรงนั้นอย่านั่งสามนระาะสรู้ยามต้นอุเพนิวาสานุสติยานจะสรู้ยามกลางเรียกว่าจุตูปปาตยานจะสรู้ยามปลายปจิมยามเรียกว่าอาสวัคยยาน ยาทั้งสามโยมตีเข้าใจได้ไหมเป็นความเข้าใจของโยมเองเข้าใจว่ายัางไงตรงนี้เอาความเข้าใจของเราอะไม่ใช่เอาตามไปจำที่ท่านพูดยานทั่งสามเพื่อจะช่วยตัดกิเลสยาไปจนถึงละเอียดเข้าใจอย่างนี้ไหครับยาสำหรับตัดกิเลสนะ กว้างไปไหมยนค่้าใจน่าจะเข้าใจได้ถึงว่าถ้าเราถึงยาตรงนั้นน่ยมันก็จะทำลายกิเลสส่วนห่วนยาส่วนละเอียดไปเรื่อยๆเป็นลำดับลำดับเข้าใจอย่างนี้ค่ะก็คาว่าปุเพนิวาสานุสติ ในความว่าระลึกในเรื่องเก่าๆก่อนเรียกว่าระลึกชาติได้ใช่ไหมระลึกชาติได้ว่านยอมระลึกได้ไหมตั้งแต่จำความได้ถึงปัจจุบันเนี่ยคิดเรื่องอะไรมาม้างมีความรักนานเท่าไร่มีความชังมากเท่าไรมีความโรคปวดหลงมากมาเท่าไรเราะจะลึกได้ไหมตัวเองเคยทุกข์เพราะโรคปวดหลงมากเท่าไหรอย่างเงี้ยเระลึกได้ใช่ไหมเนี่ยก็ระลึกได้แบบเนี้ย เราก็เลือกได้อยู่ใช่ไหมแต่ท่านละเลึกได้ทุกเรื่องอันนี้นะเลกได้หนึ่งชาติบางสองชาติบางร้อยชาติบางหมื่นชาติบ้างแสนชาติบางตลอดชาติอย่างยิ่งบางถ้าว่าตลอดชาติอย่างยิ่งตลอดสังวัตกรรมวิวัตกรรมถ้าหากเราคิดแบบพรามก็คือคิดว่าโอ้ต้องเกิดแล้วใจอีกหมื่นชาติแสนชาติจําได้หมดเป็นไปได้ไหมยากแบบนั้น เป็นไป ไ, ได้แต่เอาเป็นไปได้สิ่งที่พระเจ้าท่านสทรงบอกที่เราคนธรรมดาเราก็เลึกได้เนี่ยท่านก็ลึกได้เหมือนอย่างนั้นแต่ท่านรู้สึกะลึกได้เยอะกว่าเท่านั้นเองอบางเหตุการณ์ในชีวิตจริงเราเนี่ยเราลึกได้ว่าปีนั้นเราเคยป่วยปีนั้นเราเคยเรียนจบปีนั้นเราเคยได้อุบัติเหตุปีนั้นเราเคย ประสบผลเสื่อมเด็ดปีนั้นเรคือถูกหวยระงวัลที่หนึ่งปีนั้นเราเค ย, ยเเคย้าขายลมละลายพวกนี้นะจำได้นะลักษณะ น, นี้คือจําเหตุการณ์สําคัญสำคัญเนี่ยได้แต่เหตุการณ์ที่ละเอียดกว่านั้นเราจําไม่ได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงที่เราเลึกได้เนะี่ยเรื่องที่มันเกิดในชีวิตจะมีอยู่กี่เรื่องเรื่องลหลักอันมีจุกในชีวิตของเราเนี่ยเรื่องลหลักมันเกิด อ, อยู่กี่เรื่อง ไม่ได้ไม่ได้มากเรื่องนะมีสามเรื่องเท่านั้นใช่ไหมเรื่องอะไรเรื่องโลกเรื่องโกรธเรื่องหลงอ่ะสามเรื่องเท่านั้นนะแต่ในสามเรื่องมันขยายเป็นหมื่นเรื่องแสนเรื่องนะเนาะเรื่องโลกเรื่องที่เราเกิดความพอใจอยากจะได้เยอะเรื่องโกรธมันไม่ได้อย่างใจก็ไม่พอใจเรื่องหลงก็มาขอเลิศเพลิดเพลิน ในเรื่องสนุกสนานทุกทุกอย่างะพอใจก็สนุกสนานเพื่อเพื่อในเรื่องพอใจไม่พอใจก็สนุกสนานเพื่อเพื่อในเรื่องไม่พอใจนี่ไงก็อีกสามเรื่องหลักท่านนึกถึงแต่ถ้าระลึกล ก, การระลึกถึงชาติอย่างนี้ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นผลดีอย่างไรต่อการแตสรู้เกิดความอะไรฮะเกิดความสนุกสังเวชนะโอ้ ฉันนี่ตกมาลกมาเท่านี้จะไปตกมาได้ไงเมื่อก่อนไม่รู้ไงโอ้ฉันตกโอ้ขึ้นไปสวรรค์เท่านี้มาไปเท่านี้ครัง้งตกนรกเท่านี้ครัง้งตกไปเป็นเปรต เ, เท่านี้ครั้งไปเป็นยักษ์ท่านี้หุ่นไปเป็นไอสุรกายเท่านี้ไปเป็นเดรัจฉานนันจะลึกได้อย่างนี้อ่าแล้วก็น่ากลัวใช่มหม ย, ยมฤทธิ์ย้อนหลังถึงตัวเองบางครั้งรู้สึกเป็นไงน่ากลัวไหมว่าเสียวไหม เอ อ, เออนั่นเราคล้ายๆอย่างนั้นแต่เราเคยสรดสังเวชไหมย่างนี้เพราะไม่สรดสังเวชในอดีตของตัวเองเราจรึงไม่เรียกว่ายานรู้ลึกได้จริงแต่เราไม่เกิสดสรดสังเวชเราจึงไม่เรียกว่ายานนี่แต่ถ้าเราเกิสดสรดสังเวชระดับไหนระดับที่ว่าไม่เอาอีกแล้วฮะไม่เอาอีกแล้วไม่ไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วไม่โลกอีกแล้วโลกทําให้เรา ลบมาเป็นเปรตมาเท่าไหร่นานกี่หมื่นกี่แสนชาติเราโกรธเนี่ยไม่รู้เราตรงลกมาเท่าไหร่เราหลงเนีไม่รู้เป็นนิรชานเมื่อกี่กี่อย่างนเนี่ยไม่เอาอยาเข็ดขยันถ้าเรารู้เราขยาันอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเกิดญาณปัญญาขึ้นมาโอ้พิจารณาว่าไอ้ปุเพนิวาสานุติญาณเพราะเราเห็นในอดีตต่างตางเห็นแต่ความ ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่าดับไปไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขได้เลยแล้วาจะเกิดไปเกิดอีกทําไมนี่นี่ น, น, น เ, กเกิดเกิดป็นยานขึ้นมาอย่างนี้อย่า จ, จะไปรักอีกทําไมจะไปหลงอีทําไมแล้วเราท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายอย่างสุดขีดด้วยกันแต่เราเคยเบื่อหน่ายอย่างนั้นไหมคุณโอมีสมบัติเมื่อ ไ, ไหร่ฉัเลิกดีก็ไม่มีอมีลูกก็ลําบากมีเมียก็ลาบากฉันไม่เอาอีกแล้วเลิก ยมเปลี่ยมไปเลยเฮือไปที่ไหนก็ไปอย่างี้ม่เชียวเกิดความบ่หน่ายงี้แล้วยอมเปลี่ยนจะว่างไงเนี่ก็เกิดความเฉลิสังเวชพบผ้าห น, นีออกจากบ้านเลยไปหาที่บวนอนหลวงพ่ดเทียนใช่ไหมท่านเฉลิสังเวชตอนที่ท่านเน่กโกรธใช่กโกรธภรรยาที่ท่านพูดนะนะโกรธแล้วภรรยาย้อนคำหนึ่งาโอ้ ทำบุญขนาดนี้ก็ยังโกรดอีกเหรอทำบุญขนาดถึง5วัดหกองยังโกรนรกอีกเหรอฮ่าเสือสองวทันทีเลยนี่เกิดยานนั่นตอนนั้นหลวงพ่อ เ, เห็นได้ปูเพรนิวาสันสิยา น, นั่นงเห็นไได้ยานนั้นยามต้นซึ่งไม่อาจจะอาจจะไม่ใช่วันเดียวกันเพราะเกิดยานนั้นท่านท่านวางแผนหนีออกจากบ้านเลยแล้วก็อนเจ้าชายชิตตะได้ยานนี้ตอนไหนแต่ไปเห็นพิมพา ใช่ไหมมีลาหุนโอ้บ่วงเกิดแล้วหนีดีกว่าเราก <c oughs> ็หนีตอนนั้นนี่แต่ท่า น, นประมวลว่าเป็นคืนเดียวแต่ความจริงเหตุการณ์มาเลียงระดับมาเรื่อยๆนี่นแหละนะเรียงระดับมาว่าได้เบอหน่ายเห็นนะสงครามสู้รบบานบานมือเห็นความอิจฉาพยาบาทเห็นความอะไร ของสังคมอะไรต่างๆมันเบื่อเบื่อไปเรื่อยในฐานะท่านเป็นผู้ปกนักปกครองเนี่ยมันก็เห็นชีวิตหลายรูปแบบไอ้ความเบื่อหน่ายนั้นสะสมเกิดมาสะสมเกิดมามันมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาเรื่องทุกข์เท่านั้นน่ะเราจะไปยินดีพอยใจอะไรนี่เขาเรียกภูเพณิวาสายนิสสติญาณแล้วลึกได้ไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวสมมุติท่านแล้ลึกได้แสนเรื่องนั่นแหละก็แ ล, ลึกได้แสนชาติไม่ใช่เกิดแล้วใจ อ, อีกเกิดแล้วดีไม่ใช่อย่างนั้น จําเหตุการณ์ได้เป็นหมื่นเรื่องเกิดได้หมื่นชาติทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดทั้งสุขทั้งทุกข์กันแหละเอาทีนี้เมื่อเกิดความสรุปสังเวชก็เกิดปุเพนิวาสานุสติยานและต่อไปทั้งให้เกิดยานอะไรยานที่2ใครจําได้บ้างจุปปาตยานยานได้ระลึกถึงได้เห็นการจุติและอุบัติ จุติแปลว่าอะไรจุติแปลว่าเคลื่อนจุติหยุดแปลว่าจุติแปลว่าดับหยุดอุบัติแปลว่าเคลื่อนได้เห็นการเกิดและการดับการเกิดและการดับที่เราพูดถึงว่าได้เห็นการจุติและการอุบัติและการจุติและอุบัติของร่างกายมันมาจากไหนเฮ้ยทาไม เราเคยสงสัยไหมเอ๊ะทำไมเราจึงเคลื่อนไหวได้ทําไมเราจึงพูดได้ทําไมาจึงได้ยินทําไมตาจึงเห็นทําไมหูจึงได้ยินทําไมจมูกได้กลิ่นทําไมลิ้นได้รดได้ทําไมกายจึงสัมผัสรู้เรื่องไาง้เคยสงสัยบ้างไหมเมื่อถ้าสงสัยแล้วก็หาคําตอบทีนี้หาไปหามาไอ้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทังมมันเกิดมาจากไหนถ้าเกิดข้อสงสัยอย่างนี้ขึ้นมานะแสดงว่า เร่มเกิดแล้วอยู่ดประปายานี่นะว่าสิ่งเหล่านี้มันมาจากไห น, นก็เริ่มหาไปหาไปหาไปหาไปเรื่อยๆลาดับลึกละเอียดลงไปได้ตามเหตุตามผลตนี้แหละจนไปเห็นว่าอ๋อชีวิตมันเกิดอยู่สองอย่างนั่นเองคือการจุติและการอุบัติคือการเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาพลังของชีวิต เราเรียกว่าการเกิดเป็นสสารการดับเป็นพลังงานา <c oughs> สสารพลังงานการเกิดขึ้นทำให้มีรูการดับไปทำให้มีนามาการเกิดขึ้นทําไม่เกิดความพอใจรู้จากความพอใจทำให้ความารู้ทำให้ความพอใจนั้นดับไปนะ การเกิดขึ้นทําให้เกิดความโกรธรู้จักความโกรธทําให้ความโกรธ ด, ดับไปนี่เห็นการเกิดดับอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาแล้วไอ้ความพอใจไม่พอใจมันเกิดมาจากไหนอ่ะเกิดมาจากความรู้สึกสบายความสบายและไม่สบายตัวไหนเป็นการเกิดตัวไหนเป็นการดับาก็จะเห็นสองอย่างนี้คู่กันไปเรื่อย อ, อินท์ของคู่ต้นเดิมดของคู่ทั้งหลายทั้งปวงมาจากต้นเดิมนกันเกิดและกันดับทั้งหมดในที่สุดก็มันเป็นสองสองจังหวะอ่าสองจังหวะของการเกิดดับธรรมชาติก็ออกมาเป็นไม่เคยมี3ขาเนะี่ยมีแค่สองขาเนาะคนถ้าเป็นสีขาขึ้นมาแสดงว่าเกิดดับนั้นมากไปอ่าแค่สองขานี่สมดุลแล้วเหมือนกัน สัตว์มันมีสี่ขามันเกิดมากไปมันก็ทุกขมากกว่าคนรุ่แบบไม่ดูก็เหลืสองขาที่นี้อ่าเกิดกระดับเก้าหน้าเก้าหลังเก้าซ้ายเก้าขวาอะไรก็ไปสองหมดเฮ้สมองก็เปสองซี่ปอดก็ไปส อ, นะอสองชุดกระดับก็ไปสองชุดไปแยกไปเป็นส่วนไป็นส่ว น, ไ ป, วนไปเลยออกมาในที่สุดก็แม้แต่เม็ดมะขามยังมีคู่เลยใช่ไหมมีซี่เดียวหรือสองซี่เคยเห็นเม็ดมะขามไหม พรเคยเล่นอะไรมาเเคยเล่นนรื่อขาวมาเยถั่วมีกี่ซิ่ก็สองซิ่อ๋อมันสาคกนไปหมดทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งคนสภาวะการเกิดดับก็เห็นหมดเลยโอ้สัมพัสัตว์ทั้งหลายเกิดมาจากการเกิดการดับนี่เองเห็นการเกิดดับนี่ท่านก็เลยอ้า ทนความพอใจไม่พอใจมาจากอะไรมาจากการเกิดดับแล้วเราไม่รู้มันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้มันดับเมื <c oughs> ม่อเข้าไปเห็นการเกิดดับปั๊บมันก็เลยรู้การเกิดดับทางจิตมันละเอียดมันลึกเพราะต้องมาเห็นการเกิดดับทางกายการเกิดดับทางเวทนาการเกิดดับทางจิตการเกิดดับทางอารมณ์ทวนไปทวนมาละเอียดเข้าเลยเข้าก็เลยทําให้รู้ฮะอ๋อ ถ้าเราจะไม่ให้มันเกิดความพอใจไม่พอใจก็ได้นี่เราไปควบคุมที่ไหนควบคุมที่การเกิดและการดับการเกิดดับโดยอํานาจของตัวรู้และโด้วยอำนาจของตัวไม่รู้มีสองอย่างถ้าหากว่าเราไม่รู้จักการเกิดการดับเราก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้จักการดับการเกิดก็ไม่รู้ในการเกิดกำลับเราต้องเห็นตัวใดตัวหนึ่งก่อน เราเห็นตัวไหนก่อนระหว่างการเกิดกระดับเราเห็นตัวไหนก่อนระหว่างรูปกำนามเราเห็นตัวไหนก่อนอ่าทำไมเห็นรูปก่อนอ่าเพราะมันยากการเกิดมันยากการดับมันประณีตละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นการเกิดแล้วจําเป็นต้องเห็นต้องพยายามเห็นการดับด้บดวยไหม เนี่ยจะออกห้องนี้ไปต้องทำไงก่อนอดับมันทำไ ม, มเห็นไหมเมื่อมีการเกิดแล้วมีการดับก็ต้องปรากฏเมื่อเรามีชีวิตแล้วเราจะกลัวตายไหมท <c oughs> <c oughs> าไมกลัวตาย <c oughs> ไม่กลัวเกิดแต่กลัวตายแปลกไหม อ, อันนี้เพราะความไม่รู้นะเพราะความไม่รู้ ดันั้นเราก็เลยมารู้ว่าเออยอมรับความเป็นจริงดังนั้นเมื่อท่านไปเทศครั้งแรกคนที่เห็นเข้าใจธรรมะครั้งแรกใคร<ม>กัญญาโกธรรยะใช่แล้วท่านอุทานออกมาว่าย่งไงยมเล็กจําได้ไหมคาถาพระอัญญากโกธรรยิยะยังจินจิสมุทญาธรร ม, มังสัพพันตานิโรธธรร ม, มังติสิ่งใดทั้งหลายทั้งปวงในโลกมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสินั้นก็เป็นไง<ม>ก็ต้องดับ เป็นธรรมดาเหมือนกันหมดไม่มีอะไรตัวค้างเกิดเท่าไร่ตายเท่านั้นเกิดเท่าไรดับเท่านั้นเมื่อรู้เป็นความเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องอยู่กับร่างกายที่มันกําลังเกิดดับ ด, ด้วยความรู้หรือด้วยความไม่รู้ดีกว่าแบบด้วยความรู้เพื่อเราจะได้ใช้การเกิดดับให้เป็นประโยชน์ใช้อย่างไรเพื่อเราจะไม่ได้หลงต่อมายาภาพของการเกิดดับนี้ แต่ทุกวันนี้เราไม่รู้เราไปลงการเกิดดับนี้เป็นของเราใช่ไหมแทนที่การเกิดดับนี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์ใช้เป็นประโยชน่ได้ไงก็สร้างให้ทําให้ร่างกายนี้มีความรู้ความเข้าใจอะไรได้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นทุกข์ก่อนเพื่อเราจะไม่เดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วเราทําได้ เมื่อทำได้คนอื่นทําได้ไหยก็ทําได้เพราะเราจะถ่าวโคตรไปถึงแล้วแห่งนั้นไงคือหมายความไปถึงแต่ไปถึงตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาไปถึงแล้วนั้นแล้วนำเอาสติสมาธิปัญญาคือตัวรู้มาบอกกันคนอื่นเมื่อเรารู้จักวิธีออกจากมายาของการเกิดดับได้เพราะว่ามันเป็นมายานหึ่งเพราะเราไม่รู้ด้วยอํานาจของอ่ะวิชา เราไม่รู้ทีนี้พอพอท่านได้รู้อย่างนี้ปั๊บวิชามเกิดครั้งแรกความจริงสภาวะนี่มันมีอยู่แล้วล่ะอย่างนักวิทยาศาสตร์มันค้นพบอะไรต่างๆ่างกฎเหล่านี้มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ค้นพบมาก็มาเผยแพร่มาบอกแต่การเผยแพร่กันบอกของนักวิทยาศาสตร์ทําให้เรารับความสะดวกสบายเท่านั้นแต่ไม่ได้รับความสงบแต่พระุทธเจ้าท่านเห็นว่าความสะดวกสบายนี่เองทําให้คนหลง ในมาย้าการเกิดดับมากขึ้นมากขึ้นแล้วทําให้คนหลงไปยึดติดในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นในที่สุดทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงรายละเอียดการเกิดดับของวัตถุเพราะมันจะทําให้คนหลงเพราะคนยิ่งรู้จักฉลาดวัตถุมากก็่าไก็ยิ่งทําวัตถุให้มันละเอียดประณีตใช่ไหมยิ่งวัตถุละเอียดประณีตได้ไรคนก็รู้ไม่เท่าทันก็จะไปหลงเพราะไปหลงแล้วก็จะไปหมกมุ่น แต่ความละเอียดเหล่านั้นเมื่อหมดรุ่นแล้วคนก็จะฉลาดขึ้นหรือโง่ลงก็ต้องโง่ลงเมื่อโง่ลงแล้วคนก็จะกลายเป็นสัตว์มันทวนเนี่ยดัชที่วัตถุนิยมใช่ไหมทำให้คนกลายเป็นสัตว์ขึ้นเรื่อยๆเป็นสัตว์ยังไงเการู้ว่ายากินแล้วมันติดคนก็ยังกินใช่ไหมยาเสพติดทั้งหลายใช่ไหมเนี่ยคนก็เป็นสัตว์แล้วใช่ไหมไม่ได้กินแล้วกลายเป็นสัตว์เลย มาได้ฟังจากโยมคนหนึ่งมาพูดเลยกลางวันก็รู้จักกันดีถามโยมผู้ชายเป็นไงมันก็เหมือนเดิมอะท่านอ้าเหมือนเดิมไงติดเหมือนเดิมแหละมันติดเหมือนเดิมเอาหมายความเป็ยังไงก็หมายความมันเลิกไม่ได้เอาโยมจะทําก็ต้องให้เงินไปซื้อเขาไม่ให้เราไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้มันอารวาสจะข้าว โยมให้วันเถอะถ้ายมไม่ให้มันไปหากินไม่ได้ก็ต้องให้ไม่ให้มันอารวาสเห็นไหมก็ไปอย่างนี้แถวนี้แม่ทั้งหมดเลยท่านแล้วใครเป็นคนขายก็ใครอีกไอ้เจ้าภาพทั้งนั้นเลยคูณรักษากฎหมายนั่นแหละขายถ้าคุณรักษากฎหมายขายมันเจอะมันจะขายได้ไงเช่แล้วเอาไปอย่างนี้ผมเข้าใจว่าต่อไปประเทศไทยอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องนี้ก็งนถ้าผมก็ต้องหาเงินให้ลูกมันได้กิน แล้วก็ควอบไม่ใช่ครอบครัวผมยื้ อ, อฟังได้เศ้าเนาะมันจะเป็นอย่างนี้ยก็ต้องหาเงินาเนี่ยเห็นไหมเราก็ไปลุมล้มหลงจนกระทั่งว่าทําให้รถมันเสพแล้วมันได้นิพพานอ่ะได้นิพพานดีๆไปใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่รถนี้ขาดหายไปมันก็อยู่ไม่ได้เราเป็นสัต์เป็นสัน น, นลกเลยทีนี้มันก็คนก็ตกเป็นทาสของมันไปเรื่อยๆแล้วก็มีเยอะซะด้วยครับ ก็พระพเจ้าเห็นอย่างนี้โอ้ไม่ได้ไปเผยแพร่เรื่องวัตถุไม่ได้เรื่องลูกเนี่ยมาทําให้ประนีตประนีตทําให้คนหลงแล้วคนโลกคนกลายเป็นสัตว์เป็นเปรดเป็นในโลกไปหมดโลกนี้ก็จะเป็นโลกของอันตรายในที่สุดท่านก็เลยไปประกาศในเรื่องดับให้ประกาศเรื่องเกิดให้ได้ดับอะไรดับตัณหาให้ดับความอยากเพราะถ้าหากว่าไป <c oughs> ประกาศรายละเอียดเรื่วัตถุเราก็มาสงสัยว่าเอ้พุทธเจ้ารู้เรื่องวิทยาศาสตร์รู้ นักวิยาศาสตร์ทั้งหลายมาันตามมรรคพระพเจ้าทั้งนั้นใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าเขาโวเสียเลื่องไปตามความรู้ขอพระพุทธเจ้าเขาก็บอกบอกวนะ่ดังนั้นเขาพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเราจะเอาเรื่องของรายละเอียดวัตถุไปเผยแพร่เพราะโลกนี้จะกลายเป็นสงครามตลอดการเป็นสนามรบตลอดการคนจะต้องแย่งกันแย่งวัตถุกันแต่วัตถุในโลกมันมีจํากัดใช่ไหมมันใช้แล้วก็หมดแต่ความอยากของคนมันจากัดไหม เห็นไหมสัตว์มันมันมันกินแล้วมันก็จบนะอิ่มแล้วก็หิวก็หาใหม่คนไม่ใช่ไหมสั่งสมที่คนมีกําลังมากมันก็สั่งสมแล้วมาคนมีกําลังน้อยสังคนได้มากกับคนได้นล้วก็ต้องลบกันนะจะไม่ต้องฆ่ากันอ่ามันก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยดังนั้นเธอท่านก็เลยไม่ประกาศดังนั้นประกาศตรงกันข้ามเลยให้ดับความอยากก็ความอยากเป็นที่มาของรูปอยากกลางได้เอียด ให้ดับความอยากเสียโลกนี้จะอยู่ด้วยกันได้ทีนี้คนที่จะมารู้เรื่องนี้มันง่ายหรือมันยากนะใช่มท่านก็ว่าคนในโลกนี้ที่มันฉลาดเรื่องน้มันมีน้อยคนที่ไม่รู้มีมากเพราะอะไรเพราะมันเป็นไปนตามกระแสของความอยากทั้งหมดนะ แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีมัานบอกว่าอย่างน้อยก็เป็นลูกตุ่มทวงให้โลกเนี่ยมันเสื่อมช้าหน่อยเท่านั้นเองแต่ไงมันต้องเสื่อมแน่นอนมันต้องสลายแน่นอนแต่ว่ามันช้าลงหน่อยเพื่อให้คนที่มีบุญมีกุศลมาเกิดได้เวลาทันในการสร้างบุญบารมีเมื่อเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาคนพวกนี้จะต้องไม่ต้องไปอยู่ในวังบนุนในวงจรของความทุกข์อ น, นั้นออกจากนั้นไปเสียนั่นก็คือได้แก่พวกเราใช่ไหม แต่เกิดมาพบคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็รีบปฏิบัติกันซะอย่ามามัวนั่งหลับนั่งนาะนอนหลับง่วงเหงาห้องนอนกันไม่ได้ต้องรีบปฏิบัติถ้าเกิดวิบัติอะไรเกิดพรุ่งนี้มะลืนนี้หรือปีนี้ปีหน้าเราก็จะไม่ทันบารมีสร้างไม่ทันอะไรเลยเอามาแล้ววิบัติเราจะหนีไม่ทันเราต้องรีบปฏิบัติเอาไว้อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องได้สตินะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยก็ อย่าไปอยากนะปฏิบัติพราความอยากมันทําให้เราช้ามันเนินช้าทําด้วยความไม่อยากทําแต่ไม่อยากคําว่าความอยากกับศรัทธาต่างกันอย่างไรยมพรรษาโง่กลังเพลินอะไรอยู่นะคำว่าความอยากกับศรัทธาเหมือนกันหรือต่างกันไม่ไม่ไม่น่อนนั้นดีมันไม่เหมือนกันอย่างไรความอยากยังเป็นลักษณะโอกาสที่มี เดี๋ยวไได้ความต้องการจกิงเลยโยมมาปฏิบัติธรรมโยมอยากมาหรือโยมไม่อยากผมก็มีกีเลยอันนัอยากมาใช่ไหมกอยากมาจะมาด้วยศรัทธาอ่านั่นเห็นไหมเห็นไหมมาเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมันเริ่มสวนทางกันแล้วน่ยความอยากกับศรัทธานั้นเหมือนท่านว่ามันเหมือนกับขบวนรถหัวเดียวกันแต่มันกลับข้างถ้ามันไปทางถูกมันเป็นศรัทธา ถ้ามันไปทางไม่ถูกมันเป็นความอยากเป็นตัณหาขบวนเดียวกันแต่เช้นใช้ว่าสมาธิถี่ก็วิชาทิฏฐิถ้าเป็นศรัทธาก็เป็นสมาธิถี่ใช่ไหมถ้าเป็นตัณหาก็เป็นวิชาทิฏฐิเป็นทิฏฐิเหมือนกันแต่เป็นทิฏฐิทางถูกหรือทางผิดเป็นความอยากเหมือนกันอยากทางถูกหรือทางผิดถ้าอยากในทางถูกเช่นอยากไปนิพพานอยากทําบุญอยากทําความดีเนี่ยเป็นศรัทธาก็คือความอยากนี่ แต่ขณะเดียวกันถ้าไปทำบุญสัตยาเพื่อจะได้ถูกหวยเพื่อจะได้โชคเนี่ยเป็ น, ปนอะไรเป็นสัตยทาหรือเป็นความอยากท่านทั้งที่ไปด้วยสัตยทานะแต่ว่าเบื้องหลังคือความอยากอย่างนี้บางครั้งมันมั น, ม, น, ม, นมันทับซ้อนกันอยู่ อ, ะอ่ะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันในในการที่ว่าเข้าใจยากตรงนี้คนส่วนใหญ่ที่เข้าใจยากเพราะแยกของมันคู่กันเนี่ยไม่ออกนะอย่างพวกที่ เขาผ่านเนี่ยเขามันจะไปยากอะไรความรู้สึกตัวผมกินเหล้าผมก็รู้สึกตัวผมเล่นไพ่ผมก็รู้สึกตัวผมไปขโมยของนะผมไม่รู้สึกตัวขโมยเจ้าของก็จับได้ผมรู้สึกตัวอย่างดีเลยจริงไหมเออเพราะว่าเขาไม่รู้สึกตัวไม่ได้นะใช่ไหมรู้สึกตัวจนเจ้าของบ้านไม่รู้อ่ะล้วงกระเป๋าเขารู้เขารู้สึกตัวจนกระทั่งไอ้เจ้าของกระเป๋าไม่รู้อ่ะเห็นไหมเออแล้วจะบอกเขาไม่รู้สึกตัวเขาฉลาดได้ซ้ําไปมีปัญญาดีมากเลย เราต่างหากที่ขนาดไม่ทันมันเลยมันมล้วงกระบอกไปโดนไหนอาจารย์ปีปีไหนที่มาเชิญ อ, อาจารย์ธิรยุทธ์เวชเจริญอญวช เ, เจริญเวชเจริญยิ่งนะไปที่ยุโรปไปช่วยงานที่ที่โลกที่ฝรั่งเศสพอเสร็จงานแล้วก็พากันเที่ยวที่ของไอเฟนนะที่ปารีสโอ้ไปที่นั้นเขาถ่ายรูปคนใหญ่นะ ทีนีคนที่มันจะล้วงกระเป๋าเอามาถ่ายฉันหน่อยฉันฉันจะถ่ายให้เด็เข้ามาประกบใล้วจะถ่ายถ่ายไปแต่ามาเสรจแล้วกลับมาถึว่าเอ้าขหายไปไหนหกรยูโรไปงานนั้งหมดไปหกรยูโรกล้องอีกตัวหนึ่งน่ะขนาดนักสอนสติเลยนะันะ่น่ะอาจารย์อาจยทยุดเออน้าโวยแฝงสติเห็นไหมมันไม่ใช่ธรรมดามันต้องฉลาดกว่าเรามากๆเลยนั้นคือความฉลาดความรู้สึกตัวนี้ใช้เรียกว่าเป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติ เห็นไหมมันอันเดียวกันนะแตม่มันใช้กลับข้างเท่านั้นเองเพราะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส่สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายคือมิจฉาสติคนจะตกนรกหมู่ไ ม, ม่ก็เพราะมิจฉาใช่ใช่ก็มิจฉาทิฏฐินะก็เพราะมิจฉาทิฏฐิถ้าหากว่านําขบวนโดยมิจฉาทิฏฐิตัวอื่นเป็นหมดเลยเป็นเป็นมิจฉาสังกปปะมิจฉา กวาจามิฉากรรมันตะมิสาอาชีวะมิฉาวายามะไปหมดเลยเป็นมิฉะหมดเลยเพราะนั้นเราจะมาเปลี่ยนหัวขบวนัวเดียวเปลี่ยนสมาธิที่ให้เป็นเปลี่ยนมิฉาที่เดียเป็นสมาธิฐิเท่านั้นอ่าเอาละทินอย่างที่สองนะเข้าใจให้ถูกระหว่างความต่างระหว่างของคู่กันนะของคู่กันให้เข้าใจให้ชัดระหว่างศรัทธากัตหาสมาธิิก็มิฉาทิีิ แล้วทีนี้เมื่อเข้าใจต่างกันเราก็แยกไอ้ส่วนที่ไม่ดีออกไปเราก็ตามในส่วนที่ดีการที่แยกไอ้ส่วนที่ไม่ดีออกไปตามในส่วนที่ดีนี้ได้เกิดญาณที่สารเรีย อ, อาสวัคยญาณรู้ว่าอันไหนมันทำให้เกิดสนิมอันไหนมันทำให้เกิดตัวบริสุทธิ์รู้จักละเพราะรู้จากความต่างนะระหว่างตัวศรัทธา ตัวมิจฉาทิฏฐิตัวความเห็นถูกเมื่อรู้จักความต่างอย่างนี้แล้วเราก็ไปเอาส่วนที่มันถูกตัวนี้ต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงเนยะระหว่างทองเกะกับทองทองแท้เนี่ยนะมันปนกันอยู่ที่ถ้าหากว่าเราไม่ใช่ช่างทองเนี่ยเราจะแยกไม่ออกเลยใช่ไหมอันไหนว่าเป็นทองเกอันไหนเป็นทองแท้เนี่ยอันไหนเป็นเพชรเทียมอันไหนเป็นเพชรแท้ใช่ไหมงั้นก็ไม่เจออ ก, กันได้อะ ตกทองนักตกทองนัตกตกเพชรอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ตามพระมาเท่าไหร่ใช่ไหมก็ถูกพระหลอกมาจนไม่รู้เท่าไหร่อีเหมือนกันเราก็ไม่รู้ไหนพระแท้ในพระเทียมเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเลยใช่ไหมทั้งๆที่เราก็ศึกษาอยู่นะเราก็ว่าเออเราฉลาดแล้วแล้วเราก็ถูกหลอกจนได้เนี่ยไม่ใช่ของไม่ใช่ของง่ายเลยอย่าว่าแต่ที่เป็นนามธรรมแม้แต่วัตถุยังเรื่องถูกๆผิดๆเลยแล้วนนามธรรมจะขนาดไหน มันต้องใช้ปัญญาขนาดนั้นนะคนอยู่ด้วยกันรู้จักกันแท้ๆไงก็ยังรู้ใจกันยากอาจจะมเออนี่คือความยากของมันที่ลักษณะคล้ายเหมือนลักษณะคล้ายเหมือนอ่าอย่าว่าแต่นั่นนะไม่แต่เงินนะใช่ปลอมก็ลอกมาได้ใช้กันจนเพลินนะ่กหมกจะรู้ว่าเงินปลอมชั้นใดกใ็ชั้นนั้นจิตของเราคิด ออกมาได้แท้เราก็ไม่รู้ไอสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกหรือมันผิดบางครั้งเราก็ไม่รู้นะเราคิดว่าเราถูกนะแต่ความจริงพอไป พ, พี่เ่ยอมันไม่ถูกนี่แล้ว ร, รู้ไงแต่ละครั้งที่เราคิดออกมาแล้วมันถูกอันนั้นมันผิดตรงนี้ยิ่งยากเข้าไปอีกทีนี้มนุษย์ก็มีเกณฑ์ตัดสินมีเกณฑ์ตัดสินเอาเอาเรื่องว่าเอาสมาธิ ถ, ถี่เนี่ยเป็นเรื่องตัดสินรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้เป็นสมาธิ ถ, ถิที่ถูกต้องก็จะมีตัวบังคับอยู่ สมาธิจะเป็นสมาธิต้องมีข้อบังคับสประการถ้าหากออกจากสประการไม่ใช่สมาธิิเพราะนั้นเดฟิเนชันหรือตัวนิยามของสมาธิิคืออะไรอันนี้ว่ามาไหลา ย, ลายงานและยมหลีที่จําได้เลยละ่ะขึ้นใจเลยละ่ะใช่ไหมเดฟิเนชันหรือนิยามของคําว่าสมาธินี่คืออะไรบ้างความคิดที่ถูกต้องฮะไม่ได้ถามว่าความคิดเดี๋ยวถามว่ามันมีอะไร บ, า ง, า, ง า, า, ไรบางกี่อย่าง เอสิ่งที่บ่งชี้ว่าอันนี้เป็นสมาธิิความเห็นถูกต้องอย่างแน่นอนเลยไม่แผกเพียนเป็นอย่างอื่นเลยแท่านยมหลีไม่ได้มีคนอื่นได้หรอก <c oughs> เออได้ขาว่าน้องแคทเคยเรียนมาด้วยนะเรียนมาหลายปีเนาะเรียนอภิธรรมเรียนนักธรรมอะไรมาต้องได้แน่นอนเนาะ <c oughs> ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่หรอกอย่างยมเล็กนี่ก็เป็นครูมาตั้งหลายปีต้องได้แน่นอน โอ้สิ้นหมดเลยลวันนี้ต้องขึ้นโปรเจคเตอร์แล้วสมาธิวันหลังแต่มาเรียนปริญตัตกันหน่อยนะอะไรที่พื้นๆ น, น่าจะรู้จักนะาจะต้องจำกันละละต่อไปมีอยู่ .definition หรืออนิยามบนสีประการความเห็นที่ถูกต้องเห็น4อย่างเห็นอะไรเห็นอันประเสริฐความเห็นอันประเสริฐสีอย่างเรียกว่าอ ะ, อะไรอาริยสัจสี กอ๋ละเห็นไหมเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นการดับทุกเห็นวิธีการดับทุกการเห็นสี่อย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิและสู่สี่อย่างเป็นสู่สาปนครอบจักรวาลเห็นโลภเห็นเกตให้เกิดโลภเห็นการดับของความโลภและเห็นวิธีดับความโลภเห็นขี้เกียจเห็นเหตุเกิดขี้เกียจ เห็นการดับขี้เกียจเห็นวิธีดับขี้เกียจครอบในทุกเรื่องเลยทั้งกุศลและอกุศลนี่เรียกว่าอริยสัจถ้าหากว่าเข้าใจอย่างนี้แล้วนะเห็นความง่วงเหตุให้เกิดความง่วงยมเฮียงรู้จักไหมเห็นไหมเห็นความง่วงไหมความง่วงคืออะไรอ่าเห็นไหมพอแจ้งรายละเอียดก็เช้าไปไม่เป็นเหมือนกันเนี่นจะเห็นความง่วงเห็นเหตุให้เกิดความง่วงเห็นการดับความง่วงและเห็นวิธีการ แก้ความมั่งอุศณ์ทำแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อริยสัจสี่ที่ครอบหมดเลยนี่นี่คือตัวตัวที่ท่านบรรลุ <c oughs> พอรู้เรื่องอริย ส, สัจสปั๊บเรื่องอื่นท่านทะลุหมดเลยบรรลุอะไรบรรลุอริย ส, สัจสีก็ได้สัมมาทิฏฐินี่เองแล้วความจนโยมยุ่งกับความจนไหมคืออะไรเห็นได้เกิดความจนคืออะไรรู้ใช่ไหม วิธีดับความจนจะทำไงแล้ววิธีแก้ความจนทําไงการดับความจนแล้วก็วิธีแก้ความจนรู้ใช่ไหมความปวดเห็นได้เกิดความปวดการดับความปวดวิธีแก้ความปวดทํำยังไงใช่ไหมความหิวเห็นได้เกิดความหิวคืออะไรยังไม่ใช่การดับความหิวแล้ววิธีดับความหิวจะดับยังไงอยู่ในสูนย์ได้หมดเลย ส่วนนั้นไปหาเหิดเอาเองก็แล้วกันอันนี้หั ว, หวข้อหลักๆมันเป็นอย่างนี้ความปวดปวดฟันนะนะเห็นให้เกิดปวดฟันคืออะไระจะดับความปวดฟันความเห่าะอัะไรขึ้นมาเลยท้วงอันนั้นเลยมันจะกลายเป็นรู้อริยสัจสี่จะเห่าเห็นให้เกิดความเห่าคืออะไร ง, ง่ว <c> ง <oughs> หายเห็ดมันแล้วจะดับความห่าได้ยังไงวิธีดับทําไงความหา่านี ความเมานอนเนอะโอนะโอเคง่ายจังนะการดับความการดับความหา่าก็ไปนอนเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิชาทิฏฐินะเนี่ยแชหมถ้า แ, แก้ไป่ถูกเป็นวิชาทิฏฐิทันทีเลยความอ่าจริงๆถ้ามีวิธีทําให้มันตื่นดิตรงข้ามกับความหาเห่าใช่ไ ห, ห้มันตื่นไม่ใช่เป็นหลับให้มันหายหา่าไม่ใช่งี้ยไม่มีทางเหา่หาทำให้มันตื่นนะ ดังนั้นอันนี้เป็นเป็นสู่ครอบจักรวาลเลยนะถ้าได้สัมมาทิฏฐิเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นคนนั้นก็ได้ดวงใจหินธรรมเลยคนแรกได้แก่ได้สัมมาทิฏฐิได้ดวงใจหินธรรมแล้วว่าต่อไปคนนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเขาท่านจงยืนยันว่าคนที่รู้จากอริยสี่แล้วใช้เป็นแล้วคนนั้นจะไม่ตกนรกอีกต่อไปรอแต่การบรรลุธรรมอย่างเดียวนะทำไปเรื่อยๆจะช้าหรือไวก็ตามให้รักษาความเห็นนี้เอาไว้ เวลาความโกรธมาแล้วก็หาเหตุทันทีนะมาจากอะไรความโกรธเคยไหมเดี๋ยวถ้ า, าโดดเข้าไปในความโกรธเลยรู้จักไหมว่ามาจากไหนง่ายแล้วนั่นไปเรียบร้อยเป็นวิชาเลยเป็นวิชาทิฏฐิเรียบร้อยแล้วพราะไม่เห็นความโกรธความโกรธเกิดขึ้นมาเออความโกรธมาได้ไงเนะี่ยมองหามันนะมองหามไม่ใช่แก่ที่ทําให้ฉันโกรธถูกไหมล้วก็ไปโชกไอ้คนนั้น อันนี้เป็นอะไรวิชาที่ีแล้วใช่ไหอ๋อควเกิดมาจากที่ไหนยวิชาผมโกรธยเกิดจากการถัดสะก่อนนะครับถัดสะเช่นถูแม่บ้านด่าอย่างี้นะครับสแล้วก็กระบวนการก็คือสร้างความคิดขึ้นมาไม่ใช่ไม่ทันหรอกคิดอย่างงั้นน่ะคิดอย่างงั้นเสร็จเลยเออมวยเป็นลาดับหาเงินไม่ได้ไม่ไม่ทันมันยิงพลวก็ถูกตึกเค้าดใจแล้วใช่ไหมใช่ครับเออนั่นเองแล้วทีนี้วิธี เห็นมาแล้อาการของจิตแล้วใช่ไหมอาการคนดิดเริ่มเริ่มเริ่มร้อนเริ่มอึดอัดละทีนี้เห็นเห็นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ดูอาการของมันไว้ก่อนนะดูดูอ๋ออาการโกรธไปนีนเห็นเหตุเห็ตุมันจิตมันเต้นทุบๆจิตมันรู้สึกอ่าไม่สมมุติว่าไม่พอใจอย่างเงี้ยเรียกว่าปฏิกะหงุดหงิดอึดอัดอ่ารู้สึกเสียปกติเสียสมดุลจิตใจที่เบิกบานแช่มชื่นเมื่อกี้มันหายไป อ า, อาการโกรธมันเป็นอย่างนี้ร้อนอืดอัดใช่ไหมอาการเกิดก็ดูไปเรื่อยๆการได้เห็นอาการานี้ความโกรธก็ไปจะลดลงลดลงลดลงใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เห็นมันเราก็จะนึกถึงไอ้สิ่งที่เราโกรธนึกถึงหน้าคนที่เราโกรธนึกถึงเรื่องที่เราได้ยินมันออกจากดูถูกดูดูถูกทางไว้ทีนี้ดูออกไปนอกทางนะไม่ถูกนะเพราะเรา เราไม่เห็นผิดฐานตัวโกรธคือตัวที่จิตมันกาลังร้อนอยู่อ่ะแต่เราไปหาคนที่ทําให้เราโกรธไม่ใช่แล้วใช่ไหมมองไปข้างนอกแล้วไม่หายยิ่งโกรธเพิ่มขึ้นมึงกกว่ า, อ า, อากูเหรอจะไงก็คุณงั้นขอโทษนะนะไอ้คนเนี้ยว่าให้เราเจ็บปวดอย่างเงี้ยนะมันออกไปข้างนอกอันนั้นถูกเห็นไหมนี่ออกไปนอกเหตุละไม่เห็นเหตุเหตุให้เกิดโกรธคือใจของเราที่ขาดสติ เพราะนั้นวิธีการที่จะดับก็คือเรียกสติกับมาเรียกสติกับมาจนกระทัง่งจิตมันหายโกรธอดับความโกรธมีวิธีโกรธคือเรียกสติกับมาจิตหายโกรธปับ๊บอ้าใจสบายปกติสัมาทิฏีิเกิดแล้วสมาทิฏฐิก็คือเห็นถูกปับ๊บความกลมุ่มก็จะดับแต่ถ้าหากวเราไปว่าคนนั้นทำให้เราโกรธคนนี้ทําเรื่องนั้นทำทำให้เราโกรธหรือบางคน ไม่นึกถึงคนกดแต่ก็กดความโกรธเอาไว้กดความไม่พอใจไว้ถูกไหมกดเอาไว้กั้นเอาไว้กดเอาไว้ถูกไหมไม่ถูกเพราะว่าเป็นการกรดเกลือนและเป็นการบีบบังคับพอโกรธที่ได้กดที่นั้นกรได้กดที่นั้นเรียกเก็บกดในที่สุดความโกรธนั้นก็จะเป็นไงทําร้ายตัวเราเองอ่่าหนึงถ้ามันไม่ระเบิดออกมาเราก็จะกลายเป็นคนเครียดคนคิดมากในที่สุดก็จะ ทำให้เราทุกเมื่อคนเราทุกแล้วคนอื่นก็ทุกต่ออันนี้คือวิธีการวิธีการคือระ ล, ลึกเอาสติเข้ามาทันเอาปัญญามาให้เร็วแล้วมาเห็นความโกรธเราก็มาพิจารณาเอความโกรธมาเป็นความร้อนเนาะมมาเป็นทุกข์ไม่สบายจิตใจเห็นเอาความโกรธเป็นอย่างนี้นะเนาะแล้าไม่เกิดร้อนคือความสบายอื่นอันเพราะฉะนั้นก็พยายามทําความรู้สึกหนึ่สึกตัวให้ชัดหายใจให้ลึกลึก สักพักหไอ้ความอากาศนั้นค่อยเบาลบาลงเพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าเมื่อเมื่อพราหมณ์มาลุงกะยะพราหมณ์ถามถามว่าชาตินี้มีไหมชาติหน้ามีไหมนิพพานมีจริงหรือไม่นรกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงกระถามพุทธเจ้านะถ้าตอบปัญหาเราได้ไดีนี่ข้าพเจ้าจะยอมบวชเหมาะกายถวายชีวิตเลย พระพุทเจ้าก็ถามว่าพรามถ้ากลับไปนี่สมมติว่าท่านมีศัตรูคู่อาคฆ์ที่ร้ายแรงมากท่านถูกยิงด้วยลูกศรลม้ลมลงเนี่ยสิ่งสองสิ่งท่านทําสิ่งไหนก่อนหนึ่งรีบหายามาใส่แผลขวายามายุ่งในอะไรก็มีกรรมมาใส่แผลให้มันหายให้มันดีขึ้นก่อนหรือสองท่านรีบมองหาว่าไอ้คนไหนมันไปยิงเรามันยิง เพราะเรื่องอะไรลูกสอนทาด้วยลูกอะไรลูกใครหลานใครมาเ ข, า, ข า, มามายิงเราเพื่อประโยชน์อะไรแล้วไปมองหายไปสืบหายคนคนนั้นสองอย่างนี้ถ้าทำยังไงก่อนความเขาตอบว่าข้าพเจ้าต้องรักษาตัวเองไว้ก่อนคือรักษาเยื่อยาแผลให้หายแล้วเรื่องที่ว่าใครมาจากไห น, นมายิงจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ฉั้นใดก็ฉันนั้นคุณยาสรุปเลย เหมือนกันเมื่อถ้าก็เกิดข้อสงสัยเกิดอะไรขึ้นมาในใจปั๊บต้องไปเยียวยาอยู่นั่นก่อนเมื่อทําความในใจที่มันไม่ดีให้หายแล้วเรื่องใครจะมาทําให้โกรธไม่โกรดนั้นค่อยรู้ทีหลังก็ได้แต่ประการสงบคัญต้องมาดับความโกรธที่เกิดนี้ซะก่อนนี่เขาเรียกว่าดับที่เหตุนะเพราะฉนั้นต้องว่าให้รู้ที่มาคือเหตุแล้วก็ดับให้ได้ต้องต้อคิดถึงวิธีดับให้โกรธซะก่อนนะจะไม่คิดถึงวิธีว่าใครมาทําให้โกรธ นี่เขาเรียกว่าหาวิธีดับก็คือเรียกสติเรียกปัญญากลับมาเขเรียกใจกลับมาเรียกใจกลับมาพอใจกลับม า, า, ใ, จบมาใจมันชื้นขึ้นมีสติขึ้นความโกรธเริ่มหายไปใจสั่นเริ่มหายไปิ ใ, ใจเริ่มปกติปับ๊บอ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่าใช้ปัญญาแทนที่จะใช้อะไรอวิชชาเข้าไปเก็บกดเอาไว้นะอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอยากไหม เอาเรื่องเงินเนี่ยพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่เขาว่ามาแล้วก็สวนทันทีเหมือนกันนะว่ า, าทันยังไม่ทันตันเขายิงมาแล้วก็ยิงไปเลยนะยังไม่ทันรักษาแผลแล้วกูยิงมึงก่อนกันแล้วกูยิงมากูว่ามากสูสวนมันก่อนแผลด้วยก็ยังวุวอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วไปสร้างแผลให้คนอื่นต่อยมันก็เราก็ตายเขาก็ตายนั่คืออันนี้เขาเรียกเห็นผิดนะดังนั้นคนที่มาเข้าใจสมา ธ, ธิได้แก่พระโสดาบาันขึ้นไป แต่เราใช้ส ม, มาธิิระดับต้นระดับสมมุติไปก่อนคือเอาเหตุการณ์ข้างนอกนี่ยให้เข้าใจเหตุการณ์ข้างนอกให้ดีเสก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งพอเรามาเจริญปัญญาเจริญสติมาเข้าใจเหตุการณ์ข้างในแล้วก็มาดับถ้าคนไม่มาเจริญปัญญาไม่เจริญสติร้อยทั้งร้อยอ่ะเขาก็ต้องพุ่งออกไปก่อ น, น, นใช่ไหมเขาก็ต้องสวนออกไปก่อนแต่คนแม้แต่มาเจริญสติแล้วก็ตามวบางครั้งก็ยังเอาไม่อยู่ใช่ไหมก<ช>็ยังสวนเต็มที่ บางที่สวนได้อ ย, อย่างเต็มที่ได้ปฏิบัตินัดกว่าคนที่ไม่ได้เจริญสติได้ซ้ำไปนะหาความแสบแสบมาใส่กันอย่างเต็มที่เหมือนกั น, นแทงได้ถนัดกว่าคนที่ไม่ได้เจริญสติได้ซ้ำไปเออทุกที้สังเกตให้ดีนะใช่ไหมบางครั้งเโอ้โหเราสวนเขานี่เขาแสบแสบกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะนี่เขาเรียกว่าเราเป็นไม่รู้จักการดับทุกข์ที่ถูกทางถ้าให้อะไรเกิดขึ้นเราก็ ามาดูใจกันใจว่าไงพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามให้ปรึกษากับการัชกายเสียก่อนเคยได้ยินคานี้ไหม ย, ยมจุบการัชกามีเคยใครได้ยินมั้ยยมเล็กเคยได้ยินมั้ยนอกแคทเคยได้ยินมั้ยคว่าการัชกาลไม่ได้แบบไหนการัชกาลการัชกเหมือนกับเรื่อที่เกษตรอยู่ด้วยอะไรนะไม่แน่ใจการัชกาย กรัชกายได้แก่นา ม, มากายคือสติท่านใช้กาการัชกายให้ปรึกษากับกรัชกายซะก่อนเป็นคำเฉพาะพิเศษมากภาษาบาลีคานี้กายอันเกิดจากการการกระทำข้างในการกระทําม่ในใจกรัชกายอันเกิดจากการ ม, มโนกรรมคือสติ ให้ปรึกษากับกรแพทย์ทุกครั้งอะไรเกิดขึ้นให้ปรึกษาตัวเองซะก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจลงไปแต่โบราณเขาว่าไงให้น้ำหนึ่ง10เสิบซะก่อนอันนั้นคือปรึกษาการกาแพกย์นะคือให้เรียกสติกขึ้นมาซะก่อนให้ปรึกษาว่าเอ๊นี่เขว า, าว่าอย่างนี้จะเอาไงอ่าอันนี้คือท่อนานใช้คำว่าไตรตรองใช่ไหมทางภาษาไตรตรองพิจารณานั้นแหละวิธีการปรึกษาการแพทย์ คือการแต่ใจพิจารณาถึงผลได้ผลเสียผลที่ตกมากับตัวเองอะไรต่างๆพูดขึ้นไปพิจารณาอย่างนี้ทุกครั้งคนนั้นก็จะได้เป็นสมมติทิฏยโดยสมมุติด้วยคนแล้วต่อไปถ้าเป็นเรื่องละเอียดมากขึ้นเวลาความอยากมันอยากจะได้มันอยากจะเอาเปรียบเพื่อนมันอยากจะได้ของเพื่อนก็ปรึกษากับการราชการก่อนว่าเออจะเอาดีไหมหรือไม่มดีบางคร้งทำใจยากเหมือนนะคนมายืมเงินอนะ เไม่มีขาขอยืมสักหมื่นหนึ่งจะว่าไงยมืมจบเอขอปรึกษากันใช้กายใช้ก่อนว่าจะให้หรือไม่ให้นี่น ะ, ะมาบางครั้งก็ทําใจอย่างเหมือนกันนะมีวัดที่บ้านอาตจมาตอนที่พายุเข้าเขาแล้วเนี่ยมันพัดหลังคาพังไปเยอะทีนี้เขาก็ทั้งลังคาวิหารหลังคาหมูว่าลังคาอัศรา เขาซ่อมได้แต่ศาลาแต่วิหารมันหมดเงินเยะก่อนเขาก็เลยไม่รู้ใยขึ้นมาหาเถอมาหาเถอมาทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันตลงพ่อนี่วิหารไม่ได้ทำไงทำมาเอาไปไปหาช่างซ่อมแล้วที่เจ้าไม่ดีช่วยไม่ช่วยดีเขาที่แรกมัจัดงานสร้างกุฏิแล้วมันจัดมหาสัยพเยอะแยะแล้วมันยังมีเงินไปแจ้ามหาลพมามาฉลองอ่ะ น, นะของกุฏิ แต่วัดอาจะมาอยู่บนดอยพายุมาไม่เป็นไรเลยนะเขาบอกว่าว ด, ดอยศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นไรเลยหนะมู่บ้านลาบไปตึกเกือบร้อยกว่าหลังานะคาหนะักุจิเนาะร้อยเก้าสิบหลังคาลาบไปแต่วัดเราอยู่บนดอยลมแรงมากเออไม่เป็นไรก็เลยว่าต้องได้ช่วยเข้าไปนะงานนี้หมดเป็หมื่นห้าชื่อจ้างช่างไปเปลี่ยนกระเบื้องให้สี่สิแผ่นห้าหมื่เรียบร้อยโอ้แต่มันเอาแพงจยงโอ้บอกว่ามันขึ้นที่สูงหลวงพ่อมัน เขาเอวันเราพันเลยบางงันเขาแล้วแต่แกแล้ว่าดังนั้นาจะเห็นว่าบางครั้งทําใจยากเหมือนกันเพราะว่ามันเราก็อยากจะให้แต่บางครั้งพฤติกรรมไม่น่าให้เนาะมันไม่น่ารื้ใส่เดี๋ยวเฮ้ย ช, ช่วยวัดช่วยวะช่วยๆเพราะวขากล้าขอแล้วก็กล้าให้แล้วกันว่บางครั้งบางอย่างเนี่ยมันมันปรึกษาแล้วมันไม่เอาด้วยอะ่ะจะว่าไงก็ต้องตัดสินนะดังนั้นเราจะเห็นว่า คำพูดหลายคำใช้คำว่า ม, ามานะณะโยนิสมณสิกานก็ใช้ใช่ไหมโยนิสมณสิการก็ใช้ใช ก, ร ก, ใชกรลัดก็ใช้กายก็ใช้นามกายก็ใช้วิปัสสนาก็ใช้หยางก็ใช้คำเดียวกันนะคือการมาทบทนวนตรวจสอบในเหตุเกิดที่ต้นตอคือใจของเราความรักความจำความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นต้องมาพูดษากับตัวเองก่อน ลักษณะที่เราได้ปุึกษาทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในตัวเองนี้ท่านใช้ก็โยนิโสมนัสิการตามศัพท์ทางการ น, นนะนันนั้นเราก็ต้องฝึกแต่ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกซะก่อนเนี่ยโยนิโสหรือความให้ควรพิจารณามันมันเกิดเหมือนกันแต่มันเกิดเรื่องหยาบๆเรื่องละเอียดมันไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยทันกันดังนั้นอันนี้คือหลักของพุทธศาสนานะอันนี้เราว่าประเด็นไหนเมื่อกี้ว่าหลวพ่อเห็นพูดถึงเรื่องยานสามใช่ไหม เอาดำไป ม, มาเลยมาถึงนี้ได้นาะนสามก็คือปเุเพนิวาสนญยานจุดูปปัตยานอาสวัขยายานยานเพื่อชำระอาสวะคือกิเลสกิเลสกับอาสวะต่างกันอย่างไรโยงบรรษาได้หลายพรรษาแล้วกิเลสกับอาสวันี่ต่างกันยังไงไม่ทราบไม่ทราบนะถ้า เราเอาน้ำไปใส่ตุนะ่มเนี่ยนานๆเข้าตุ่มจะเป็นยังไงน้ำคุนอะตะกอนใช่ไหมหรือบางทีแล้วเอาน้ำที่ไม่เห็นปูนไปต้มในกาเป็นไงบ่อยๆเข้าก้นกากลายเป็นตะกอนะกันเลยตัวที่มันเป็นติดข้นตุน่มนั่นแหละเขาเรียกว่าอาสจจวะอ่านอนเนือ่ อ, นอนนง นอนเนืองหมักดองอยู่ในนั้นนานๆ่นนนะมันตกตะกอนนะแม้แต่น้อาออกไปแล้วก็วยังมีกะกอนแม้กระทั่งเออคาว่าอาสวะกับวาสนาเหมือนกันก่ากันโ อ, อ้คนนี้วาสนาดีโ อ, อ้คนนี้วาสนาไม่ดีไม่ทราบเหมือนกันเออคาเหล่านี้ท่านบอกว่าวาสนาเนี่ยแม้แต่พระรหังละไม่ได้เลยแต่ละอาสวะได้แต่ละวสนาไม่ได้ อย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นคนไวใช่ไหมเวลาไปที่ไหนก็ไปก่อนเพื่อนไปเดินพระขนาเพื่อนเลยทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพาพระเดินทุดุงพุทธิยาพาทุดุงไปไปถึงแม่น้ําแห่งหนึ่งทีน้ําำน่าแรงมันแห้งเนาะมันแห้งก็โขดหินน่ะมลอยท่านก็วิ่งไปก่อนจ้ำจ้ำจำโดดกับหินก่อนนั้นพื่ไปยืนรอยอยู่ข้างหน้าอยู่ฝั่งน้น บุทิจ้าก็คอยพาพระาบน้ำที่เลนที่นี้ไปพระสาริบุญไปนั่งรออยเรื่องละท่านโดดที่นี้ตอนนั้นพุทธิจ้าก็ตั้งท่านเป็นอัคราสาวกฝ่ายขวาแล้วเนาะเป็นผู้เลื่อนด้วยปัญญาพอไปถึงฝั่งพระก็สงสั ย, ยแอบลินทาแอบลินทาเอบุริเจ้ามองคนผิดหรือเปล่าพระสิริบุญิีสทนยากะลิงถ้าตั้งเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาได้ยังไงนกะ็ เรียกว่าคุยกันไปตามทางพุทธิย่าผมสงสัยว่าเออได้ยินเขาพอไปอยู่ที่แหน่นก็ไปนั่งคุยกันพระก็ไปนั่งคุยกันต่อ น, ะนินทาพภาษาลิบุตรครัพุทธิย่าก็ถามพูดเรื่องอะไรกรันก็เรื่องนี้เลยครับผมงสงสัยเลยนะว่ามองคนผิดหรือว่ามองคนถู้หรือว่าตามภาษาลิบุตรเป็นอัคราสาวกฝ่ายขวาเราเป็นพระรหันต์แต่ท่านทำไมดูไม่เรียบร้อยเลยอะ่ะไม่ใช่เรื่องเดียวนะหลายเรื่องนะแต่เรื่องนั้นเป็นประเด็น กระโดดข้าวน้ำไปก่อนเพื่อนนี่แหละเป็นประเด็นท่านรัวพิสูนทั้งหลายอาสวะเนี่ยอาหารหันละได้แต่อาหารหันละวาสนาไม่ได้พระสาลิบุตรเนี่ยก่อนที่เธอจะมาเป็นเธอเกิดเป็นพญาบานนอนมาห้าร้อยชาติ เป็นหัวนาลิงมา500ชาติอ่ะเพราะฉะนั้นละนิสัยนี้ไม่ได้ละวาสนานี้ไม่ได้เพราะนิสัยความเร่งความเร็วความโซนเนี่ยเป็นเป็นวาสนาของท่านแต่ท่านหมดอาสวะแล้วนี่ถ้านจะเปลียนเสมือนว่าเหมือนกับสุลาที่หมดขวดแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไหมว่าขวดนี้เป็นขวดสุลาขวดนี้เป็นขวดน้ำมันการเรารู้ได้ไท่านท่านได้ใช้หมดแล้ว่เพราะอะไร mm hmm. เพราะมันมีกลิน่นแต่กลิ่นเนี่ยทำให้เมาได้ไหม อยเยอะกับมาลดํากันแต่รู้ว่ามันมีกลิ่นนะนะเออนี่ขวดเหล้าอันนี้ขวดน้ํามันกาซอันนี้ขวดสีแต่มันไม่มีสีไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยลักษณะศาสนาก็คือตัวนั้นแหละคือมันมีกลิ่นายอยู่แต่มันไม่ทําเป็นอันตรายกับคนลักษณะนั้นแล้วก็มีพระอย่างหลวงพ่อคูในสมัยนั้นนะคือท่านใช้คําพูดกูมึงอะไรตรงนี้นละพูดภาษาหลวงพ่อ ปูนภาษาพอคุณลามะที่นี้มีท่านก็พูดแบบเนี้ยทีนี้พระที่มาจากในเมืองเป็นพระที่มีเป็นผูน้ดีเยนเาะเป็นลูกเจ้าลูกนายลูกคุณนางมาบวชเราไปเจอพระเป็นไงว่าวันนี้มึงสบายดีเหรออะไรตอนนี้นะแ ก, ก้ที่ข้าวอะไรตอรเนี้ยทีนี้ลูกผู้ดีทั้งหลายเขไม่พอใจพระอุ้งเสมอยากอย่างก็ไปฟอ้องผู้ดียาว่าหลวงตาหนี้ทำไมพูดอยากอย่างองใสท่าน แต่ว่าได้มีใครหลายคนบอกว่าท่านเน่ยหลวงตาได้เป็นพระอ ร, รหนันต์นะไปพูดอะไรแต่ทํำไมพระอราหนพูดยากขนาดนีนน้ไม่เชื่อล่ะไปบอกพระดิจา้าพระดิจ้าบอกว่าพระองค์นี่ยเป็นพระบรร น, นอกหลวงตาบรร น, นอกมังก่อนเพราะนั่นนิสัยวาสนาของท่านหรือคือก็อ ย, อย่างนี้แหละเหมือนหลวงตาหลงพ่อคูนะ่ะนะหลวงพ่อคูนคือเป็นวาสนาคือมีนิสัยยังไงท่งานก็คืออย่างนั้น แต่ในใจของท่านไม่มีอะไรไ ม, มไม่มีอาสวะดังนั้นในรายละเอียดอย่างนี้เราจะรู้มันจะแยกออกว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นเราจะไปตัดสินคนในอยู่ที่การกระทําไม่ได้เพราะในใจของท่านอาจจะไม่มีอะไรแต่ข้างนอกคือนิสัยวาสนาบนะางคนพูดเสียงดังนะเวลบาบรรลุ ธ, ธรรมการเป็นคนพูดเสียงค่อยๆอ อ, ออ น, นอมถ่อมตนนั้นเป็นไปได้ไหมอันนี้เขาเรียกว่ามายาใช่ไหมดัชจริเอ แล้วอนุสนะครับแต่อนุใสก็คือเหมือนอาสวะนั่นแหะอันเดียวกันอาสวะกิเลสานุสัยบางครั้งก็ใช้ว่าอาสวะนุสัยนะเพราะฉะนั้นเราเป็นนิสัยแบบไหนก็บรรลุธรรม ก, ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ไม่มีอาสวะไม่มีอนุสัยอยู่แล้วแต่ว่าละวัฒนามาได้คนที่ละวัฒนาได้ประเภทเดียวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพระอรหันต์ไดไม่ได้เคยเกิดมา รอยชาติพันชาติคือเป็นมาอย่างนั้นก็นิสัยที่ติดมาอย่างนั้นนะจากนั้นเองก็เรื่องนี้ก็เอามาเล่าต่อกันให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องปรกย่อยรายละเอียดแต่หลักสําคัญก็คือว่าตัวตัวรู้ที่จะมาทันสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยเราจะต้องทําให้เป็นนิสัยถ้าไม่ทําเป็นนิสัยนยมันไม่ทันความโลภความโกรธความหลงเป็นนิสัยเดยมของเราใช่ไหมเราก็ สร้างสติเป็นนิสัยสร้างสมาธิเป็นนิสัยสร้างปัญญาเป็นนิสัยถ้าสร้างสตัวนี่เป็นนิสัยได้สําเร็จไอสามตัวมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะเราเปลี่ยนนิสัยใหม่ฉันนี้จะเปลี่ยนไหวไหมทันไหมต้องหน้าจ่ามีหน้าจ่ายแล้ว <c oughs> ต้องต้องใช้กำว่าต้องทันทำไมหน้าจ่านี้ไม่เอานะไม่แน่อนอะนต้องทันนั่นหมายว่าต้องทําบ่อยๆนิสัยที้โลที่โกดที้หลงมันเป็นนิสัยเดิมเลยเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนนิสัยใหม่ อาจารย์หมอไม่ใช่อาจารย์ไอ้วรุท่านใช้คำว่าสัญญาใหม่มาสร้างสัญญาใหม่สัญญาเก่าของเคาคือจําเรื่องเก่าๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นมามาสร้างสัญญาใหม่คือจําเรื่องใหม่ๆเรื่องที่อยู่เฉพาะหน้าเรื่องปัจจุบันจําเฉพาะสิ่งถ้าหากว่าเราไปจําเรื่องอดีตอนาคตเลยว่าสัญญาเก่าถ้าเราจําเฉพาะเรื่องปัจจุบันเรียกว่าเป็นสัญญาใหม่ก็ได้แก่สตินั่นเอง เรียปัจจุบันธรรมนิสัยเป็นปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราจะเดินก็จะไปยืนแบบเก่าเดินแบบใหม่เดินแบบเก่าไปไง <Okay. S 1> <c oughs> พวดเลยใช่ไหมนั่นก็เรียกเดินแบบเก่าคือเดินแบบโลภโกหลหลงเรื่องเดินแบบความเคยชินนี่ก็เรียก น, แบบยนินกนสัยเก่าแล้วนิสัยใหม่ค่อย่อย ลุกขึ้นรู้สึกตัวแล้วก็ไปอย่างนุ่มนวลไปอย่างรู้สึกตัวเราเราพยายามเปลี่ยนแปลงตัว น, นี้ให้ได้ถามว่ามันดีหรือไม่ดีดีแต่ทําไมทําไม่ได้อ่าทําไมทำไม่ได้ไไไ ด, ดีสบายด้วยใช่ไหมต้องรีบร้อนแต่ว่าบางครั้งนี่สายเก่ามันก็รุนแรงเนาะอ ะ, อะมันเผลอนิดเดียวมันไปยาวเลยนะว่าจะไม่พูดแล้วนะวันนี้เนะี่ยพูดไปเช่นนานเลยอเอาอีกแล้วเมันก็เผลอไปอย่างนั้น นะเอาละวันที่คุยกันเ mm hmm. พื่อเพลินแล้วก็วันพรุ่งนี้ <c oughs> อีกวันหนึ่งขอให้กลุ่มที่กลุ่มที่หนึ่งนะก็ให้ปรับอินซีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งตอนนี้มีประมาณกี่คนไม่รู้นะกลุ่มที่หนึ่งยงจิที่จะเข้าเกี่ยวอารมณ์ชุดแรกเนะี <c oughs> ่ยกลุ่มสี่กลุ่มหนึ่ง <c oughs> กลุ่มที่หนึ่ง <c oughs> แล้วก <c oughs> ลุ่มที่เข้าอารมณ์ชุดแรกกลุ่มที่หนึ่ง เพิ่อารม์ชุวที่สองกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มใหม่กลุม่มที่สาที่สมากกลุ่มเก็บอมอ่อาิลุหใหม่สุดก็ใหม่สุดก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะนะ<ม>แต่ว่าเก่าสุดนี้หลายคนอยู่<ม>อ่าในกลุ่มในกลุ่มนีกลุ่มคือกลุ่มที่หนึ่งก็วพวกนี้หาดิทให้ด้วยว่ามีใครบ้างเพื่อจะได้สอบอารมณ์ก่อนเข้าเก็บอารม์ าแล้วกันผู้นี้มีมาวันนี้มาไม่หมดนะโอเคมูทนายสาธุนะกลับเาพิมกัน